ที่จัดงานในวันนี้ทางวุฒิกรรมประท่วมเป็นสมาชิในการฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมในวันนี้ก็อยู่แล้วคุ้นๆลนนาก็มีนะการถาบก็มีที่จริงแล้วเนี่ยงาอบรมธรรม หรือการฟังธรรมเนี่ยจะสังเกตดูว่าจะมีคนเก่าๆแขกหน้าเก่ๆเห็นกันบ่อยอ่อย่างท่านอาจารย์ตสงศรีอันนี้ก็เพิ่งเพ่วงร่วมงานกับท่านมาที่คลินิกอินสอน แลวก็รวมต้องมีผู้ปฏิบัติเหตการมาด้วยเป็นราการปฏิบัติธรรมชื่อสุขกายสบายใจในห้าวันก็มันก็ยังยังไม่หมดปีนอายห้าวันเลยนะร่วงเลยมาถึงวันนี้เย น, นี่ยังไม่ทราบว่าหัวข้อการอบรมมูลชื่ออะไรครับก็จะชื่ออะไรก็ตามเนี่ยจะสรุปลงอยู่สองหัวข้อยคือคือเพื่อความสุขนะใช่ไหมคือเพื่อความสุขทั้งนั้นอ่ะมุ่งเราความสุขนําหน้าก่อนแล้วต่อมาก็คือเพื่อความทุกข์มันเป็นสัจจยาของจัรโลกทั่วไป ที่รักความสุขและก็เกลียดความทุกข์อย่างนั้นใช่ไหมเห็นชื่อการปฏิบัติธรรมจริงเริ่มต้นด้วยสุขสุข ส, ส, สุพอทุกข์นำหน้าเ่ยไม่ดีแล้วไม่เป็นมงคลแล้วกอเอ่ยก็ได้เริ่มทุกข์จะแปลกนะคนเราเนี่ยชอบความสุขไม่ชอบความทุกข์แต่ชีวิตทุกวันเนี่ย เราใช้ชีวิตทวนกระแสของความต้องการจิตใจแล้วนะเรากําลังแสวงหาความทุกข์แล้วก็ห่างไกล ค, ความสุขจะกลับคิดว่านี่เรากําลังหาความสุขนะ <c oughs> แล้วก็หนีความทุกข์เนี่ยมาเลยมาเลยมา เ, เลยพันตัวกันไม่รู้เรื่องว่าเรากําลังหาอะไรตัวนี้เราเรากาลังเรียกเกาะสมุทัยของชีวิต สมไทยคืเหตุที้เกิดทุกข์มากมายจน ก, กว่าความทุกข์ที่จะปรากฏชั้นเราจะคิดที่จะแก้ปัญหา่อันที่นี้เราอย่าไปโทษเจ้ากรรมในเวรเลยเรื่องความทุกข์เรื่องอะไรต่างๆเราทำเราเองเราเมื่อไหร่คือเจ้ากรรมในเวรตัวเราเอง <c oughs> <c oughs> เจ้ากรรมคือคิดแล้วก็ทําแล้วก็พูดนายเวรจะต้องชดใช้ แต่สิ่งที่เราคิดแล้วก็ะทำใตัวตราอย่าไปหาตัวตรงที่ไหนเลยตัวเรานี่หล่ะสาคัญตัวเจ้ากรรมามเวไม่มีใครสามารถแก้กรรมให้กับเราได้เปลี่ยนแปลงกรรมของเราก็าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ผู้เจ้าก็ทําไม่ได้ถ้าบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะเนี่ยเราจะขึ้นอะไรผู้เจติ น, นจะช่วยเราได้เรื่องนี้ก็ตัวเราล่ะต้องช่วยตัวเอง นี่ก็นั่งพนมมือก็ได้นะอะอมนต่นสบายๆผ่อนคลายคงไม่มีใครหลักหรอกเพราะถ้าอาจารย์เูาถึงปลุกเรียบร้อยแล้วผมก็ยังไม่มั่นใจว่าผมจะมากรอบให้นอนต่อหลืไม <c oughs> <c oughs> ่ยไม่ค่อยมั่นใจอ่ะก็องดูวัดกรรมฐานวัดจิตวัดใจว่าจิตของเราจะเข้มแข็งพอที่จะทะลุมากถึงความมุวง ได้หรือเปล่าไม่ได้ห้ามความวุ่นแต่ให้สร้างจิตได้เข้มแข็งเพื่อผ่านความวุ่นทีนี้พูดถึงเรื่องความสุขเราต้องมีเยืออ่อมาล่อคือคนเราเนี่ยอยากจะดีความสุขก็มุ่งกแสวงหาความสุขดูเถอะตื่นเช้าขึ้นมาก็มองแล้วว่าเราจะสุขอะไรบ้าง ใช่ไพอคิดถึงสิ่งที่เป็นสุขเหมือนสึกมีกําลังใจมันดีแฮงชีวิตมีแฮงแต่พอเริ่มต้นคิดในเรื่องความทุขเนี่ยมันจะท้อแท้ห่อเดียวจปเคนที่บอกว่าใมองโลกในแง่ดีนะมองโลกในแง่ดีนะชีวิตจะได้มีกําลังใจอย่ามองโลกในแง่ร้ายนะตื่นขึ้มาต้องรึงสิ่งที่ดีๆไว้ก่อน เราจะนึกถึงสิ่งที่ดีๆได้นั้นเราต้องทำต้องคิดใ้เรื่องดีๆเอาไว้ก่อนเป็นพื้นฐานนะถ้าเรายังหงุดหิดขี้โกรธกิจฉาคนนุ่นคนนี้แล้วก็ตื่นเจ้าก็มีแต่เรื่องเนี้ยเข้าดำหน้าจิใจเราตื่นเช้ามากรมุ่นแสลงหาความสุขก็ไม่เป็นเรื่องการมาคุณอารมณ์ท่นท่านต้องไปดูในสิ่งที่เรา ชอบใจฟังสิ่งที่เราชอบใจคือสิ่งที่ไพราะถึงทาไมาก็เปิดเพลงเปิดทีวีดูข่าวก่อนข่าววันไหนไม่มีอะไรก็โอ้โ น, นี่มีอะไรเลยคือมันไม่บู้อ่ะถ้าข่าวไม่บู้เลยมันไม่มีอะไรเลยเราไม่มองข่าวคือข่ขาวถ้าข่าวไม่ดูเดือนเองวันนี้ไม่มีข่าวอะไรเลยดูมปนล้วเกือบชั่วโมงไม่มีข่าว คือเราบอกว่าต้องเป็นข่าวที่มันไปร <Yeah. S 1> ้ายฟังเปิดฟังเพลงเรามีผิว ม, มั่งคอ่อาหารรสอร่อยสมาัที่ลุ่มนวนเนี่ย yeah. เป็นวัตถุ ก, การทซึ่งเราสแสวงหากันเป็นประจำและสิ่งเราเนี่ยเราสแสวงหาไปเดยบ่อยด้วยความเคยชิน mm hmm. แล้วผลมันเกิดอะไรที่รู้บ้าง มันเสียสุขภาพกายเสียสุขภาพจิตเสียเงินเสียเวลามันมาตลกที่หลังเราเลยนะมันมนตลกที่หลังเราโอ้ยเสียเงินไปเยอะเสียเวลาต้องนานดูสิ<ม>่ทงที่เราชอบดูสิ่งที่เราชอบเขี้มขืนทีหนึ่งก็ยังไม่เลิ้วสุขภาพร่างกายก็ไม่ดีทานอาหารที่ อ, อร่อยอ่อยทานไปนานๆเข้ามันก็มีโรคไปกันเยอะมาก เป็นผจากการที่เราเสพวัตถุกลางมากเนเกินไปแล้วก็พุ้งว่าอันนี้เท่านั้นทําให้ชีวิตเรามีความสุขถ้าไม่มีวัตถุกลารทั้งห้าหอย่างเนี่ยเราคีวิตจะเหี่ยวแห้งเนีมันไม่เหี่ยวไม้แห้งหรอก <c oughs> ถ้าเราปัดจากวัตถุกลารห้าอย่างได้เนี่ยเพราะมันส่วนชื่อเมื่ว่าเก่าคือไม่เป็นเครื่องกังวลอากาศมังคุณทั้งห้ารูปเสียงตื่นล่นเรายึดติดเป็นเครื่องกังวล ถึงผูลาต้องเป็นเซน <Yeah. S 1> เนี่ยเจลาเราก็จะมีปัญหาทาั้งหลายผู้ที่ฉลาดเนีอยก็ยกระดับใใจิตใจแสวงหาความสุขในการทำสิ่งที่มีคุณค่ารับตนเองและคนอื่อันนี้ยกระดับนะจากผู้จุชนธรรมดาเลวนะเริ่มมีเริ่ม เ, เป็นกิรยาและผู้จุชน เริ่มใฝ่ดีมอนสิ่งที่ดีสแสวงห า, นาในสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับตัวเราและวกานผะูน้อะืการชื่นหรือสังคมการออกกำลังกายนะการจะเล่นพักพ่อนเวเ้นไปเรื่อยในห้า <c oughs> การมาปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกัน ก็เป็นการแสวงหาสิ่งมีประโยชน์และมีคุณค่าสำหรับตัวเราและคนอื่นด้วยบางคนที่มีอาชีพเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นผู้ดูแลคนไข้เป็นผู้ดูแลญาติพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นบุวคนที่แสวงหาในสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์สำหรับตนเองแล้วก็ผืนก็ยกให้หับจากคนทั่วธรรมดาขึ้นไปหน่อยนะอหาอย่างที่มีประโยชน์ คนชอบความสงบเข้าไปทำสมาธิเข้าวัดหรือไปสถานที่ต่างๆที่สงบเงียบเพื่อทำใจสงบอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกระดับหนึ่งนะทำใ้สงบตัวตั้งเข้าฌานมันก็มีความอิ่บปอกอิจใานชานบอกว่านะ <c oughs> เข้าฌานานานนับเดือนไม่ขยืนเคลื่อนกายาถือศีลกินวาตามีความสุขทุกชยัย <c oughs> อันนั้ก็เป็นความสุขสุขภาพจิตสุขภาพกายก็ดีด้วยโลภะสต์ในถามหาส่วนกลุ่มไม่ต้อนรับความชอบความชิดท่านเสือหมอันนี้ก็ดีกระดับกระดับต่อมาคือบุคคลเนี้ยแสวงหาความสุขในการมารู้จักตัวเราเองสุขเพราะมารู้จักตัวเราเองตามความเป็นจริง นี่เราคือสุขที่สุดเลย ท, ทุกที่สุดก็คือไม่รู้จักตัวเราเองอันนี้คือความทุกข์ที่สุดทุกใดไม่เกินเทาเาเ่าไม่รู้จักตัวเราเองถ้าไม่รู้จักตัวเองก็พาตัวเราไปที่เสื่อมเสียพาไปเจ็บพาไปทุกข์พ า, านะ พ, ากพาไพาปโกลธนะนี่ไม่รู้จักตัวเราเองเลมันยึงพาไปทุกข์ทำตามที่เลย จิตก็ร้อนรุ่มรุ่มเวลาอยู่ร้อนนอนทุกข์เพราะไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ธรรมชาติของตัวเราคนที่รู้จักตัวเองรู้เท่าทานตัวเราเนี่ยก็จะสแสวงหาสิ่งทีง่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราทัา้ได้านรากาและจิตใจควรทานอะไรเนีควรรักษาใจยังไงให้มันสงบให้มันเป็นปกติพลังกาที่มันเข้ามาเสียแทงจิตเสียแทงกาก็าจะไม่เป็นเสีย ไม่แสวงห า, ายอะไรทั้กว่าทุกรู้สถานะตัวเราเนี่ยมันคืออะไรมันมีตัวตนจริงไหมมันมีตัวตนจริงหรือเปล่ามันแน่นอนไหมมันกายจิตมันทุก่งยุ่งโสบังค้าบัญชาได้ไหมตัวเรา <c oughs> <c oughs> ถ้ามารู้จักตัวเงองตามความจริงเนี่ยเราก็จะไม่ทำตามกีเลสนะ ไม่ทำตามกิเลสไม่ทําตามมราคภัณา์ทำให้จิตร้อนรุ่มโทรศัพท์ทำให้จิตเด็ดเลยหม้อทําให้จิตเราลุ่มหลงก็จะร่างกิเลสก็เกิดปัญญารู้เท่าทันตัวเราเกิดความสุขสูงสุด ส, สุขใดไม่เกินสุขที่เกิดจากการที่เราเอัญชนะกิเลสได้หรอกนั่นคืสุขสูงสุดที่เราควรจะได้นะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยคือความสุขที่ เป้าทน้ที่เนึ่งเนี่ยเป็นสุกรที่สูงสุดแหะจะเรลวันศุกร์เนี่ยมันก็เป็นภาษาสมมุติคือความเป็นอิสระอิสระจากกิเลสราคาโทสะมหาครอบงำจิตใจไม่ได้ไม่ใช่ว่าอิสระที่จะ ท, า ท, าทําการกิเลสอ่างกันนะ <c oughs> อ๋อเดียวกันนะอิสระเหมือนกันนะเราทําไมเราอิสระเนี่ยจะไปไหนก็ได้ ทำตามกิเลสไปได้อิสระก็ลองทางไปก็ เ, เหนื่อยแต่อิสระที่ไม่ทำตามกิเลสเนี่ยมันมันมันไม่ต้องไปทายจะเรียกว่าสุกก็ไม่ได้เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือสุกพ้นสุกไปแล้วนี่ถึงที่พานนะเนี่ยพู้ถึงที่พานก็ควรจะจบได้แล้วเนี่ <c oughs> <c oughs> ยจะทํายังไงที่จะพบกับความสุขสูงสุด ก็ไม่ยากสุขทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราแล้วนั่นแหละไม่เกี่ยวกับสิ่งรอบข้างเลยนะเราบางคับที่จะเป็นผู้ที่ที่ว่าเราสุขเราทุกข์อยู่ที่จิตใจเราด้วยไม่เกี่ยวกับร่างกายกายก็เส่วนกายก็ต่างหาเป็นแค่เครื่องอาศัยหน้าร่างกายแต่สุขทุกข์อยู่ที่จิตใจถ้าเราเข้าใจตัวเองรู้ทันตัวเองเนี่ยเราก็จะต้องเป็นอิสระ จากอารมณ์ต่างๆมากมายจะทํางานให้กลับมาดูตัวเองก็คือการเจริญสติสติเท่านั้นเป็นผู้ที่ผูกจิตผูกใจให้กลับมาดูตัวเองนะเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันวิ่นรนกวัดแกว่งายากรักษายากมักจะตกแต่งลมที่คล้านยะนี่คือธรรมชาติของจิตบันฑิตย่อมถูกจิต กลิตให้ดีทีวีมีสุขการฝกลิตนั้นก็ต้องอาศัยสติเป็นเครื่องมือฝึกจิตเพราะถ้าสติไม่พาจิตพาใจมาอยู่กับเนื้อตัวเนี่ยก็ถูกกีเลรอนอารมณ์เนี่ยพาจิตมันล่องลอยไปไมาถึงปรุงแต่งคุ้มสร้างดูแต่สิ่งภายนอกมองแต่ข้างนอกในเวลาส่งจิตออกนอกเพราะตาสติที่จะให้กลับมาดูเนื้อดูตัวเรา พอจิตมั้นเผลอหรืแปลงนอกมันก็ลืมเนื้อลืมตัวมันลืมตัวพอลืมตัวเมื่อไหร่ครัว่าลืมตัวเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วนะผมไม่เจตนาฆ่าเลยผมลืมตัวไปลืมตัวไปฆ่าไปแล้วเรียตัวเข้าไปคุ้มผมลืมตัวไม่น่าพูดแต่ลืมตัวเผลอพูดไปถ้าจะมีปัญหาไว้ปคำพูดของเราลืมตัวเพรเราหลง หลงอารมณ์ที่มากระทบกเคล่อนเลื่นตัวสติตอนนั้นที่จะพาจิตประจัยให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เรียกพาใจกลับบ้าน mm hmm. าพาใจมาอยู่ที่ปลอดภัย mm hmm. ก็คือตั้งอาศัยตัวสติสติแปลว่าละลึงได้จำได้ไม่ลืมตัว mm hmm. รู้ว่าเรามี ยังมีตัวเราในะโลกนี้อีกนะไม่ได้หนีไปไหนเธรรมชาติของสติเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนั่นคือสติสามัญชนยากเดือดไอ้ตัว ส, ต, นะ ต, วสติเนี่ยมันมีสเสน่ห์มันสามารถกลับมาดูตัวเรานะถ้าม่มีตัวนี้นะเราก็จะไม่ได้กลับมาดูตัวเราเลยจะไม่รู้ว่าตัวเราเป็นอย่างไรนิสัยอย่างไรไม่รูด้ดูแล้วจุดมีการเจริญสติก็เพื่อตรงเนี้ย ที่สงสัยว่าเอ๊ทมมอ้ทำไมมายกมือทำไมมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อเอาจิตใจเนี่ยให้กลับมารู้ความจริงของตัวเราเดินสายสติเป็นเรื่องบุญโยมเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเริ่มต้นในการพ้นสติลงท้ายในการรู้แจ้งนะครับปล่อยวางคือตัวปัญญานะว่าเนี่ยกําลังเริ่มต้นสุขสติเพื่อเดินไปหาตัวปัญญาบรรลุจักตัวเราเป็นพบกับสุขสูงสุดนะ ก็มีการฝึกโอเคเราจะรู้จักตัวเราได้แต่เมื่อเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมันไม่มีตัวรู้จักตัวแต่เมื่อเห็นความไม่มีตัวในตัวเราน่ะคือรู้จักตัวในกายจริงถ้ามีตัวเรามีเี่นแล้วก็ยังไม่รู้จักตัวมันจะทุกข์ตอนี่ไม่รู้จักตัวเท่นั้นการฝึกสติไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปรอรับจากครูบาอาจารย์ อยู่ี่เรื่องที่ตัวเราเองบวชหรือไม่บวชก็ไม่สําคัญนจะแต่งชุดสีอะไรก็ไม่สําคัญนังสือศาสนาอะไรก็ไม่สำคัญเพราะสติก็รมฐจนย่าเ่ยมันเป็นหลักสาคนทุกชาติทุกศาสราต้องมีตัวนี้อาจจะแยกคำพูดที่แตกต่างกันฝรั่ง ก, ก็มีอินเดียก็มีแต่คําว่าสติเนี่ยเป็นภาษาอินเดียนะ แต่ภ า, าษาไทยแปลว่ารู้ตึกตัวภาษาญี่ปุ่นไม่มีภาษาญี่ปุ่นไม่คําว่าสติมีแต่อะไรนะมีแต่เป็นตัวสมาธิคือเขาไม่เข้าใจาว่าสติกับสมาธินี่เขาละเขาคิดว่ามันสิ่งเดียวกันเป็นสมาธิญี่ปุ่นก็รู้ว่าสติคือตัวสมาธิไม่มีบรรจคําว่าสติไม่มีภาษาฝรั่งเรียกอะไรเอาแวเนเนี่ย พท้ายก็รู้สึกตัวก็ไม่าหาที่ไหนที่เรื่อที่ตัวเราเนีจิตวิสต์เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญารู้เท่าทันจิตใจของตัวเรารู้เท่าทันใจเราเพราะใจเราเนี่ยนําเอาราคะโทสะโมหะเหตุทั้งปวงทุกมาสู่จิตใจเรามาได้ด้วยความคิด จิวิสัยเพื่อรู้ทันจิตใจเราพอรู้ทันแล้วถึงแล้วมันก็จะดับไปจิตก็เป็นอิสระถึงว่ามีการจิตวิสัยใหมากๆถ้ามันเข้มแข็งจะรู้จักตัวต้องกลับมาดูตัวเราในการจิตวิสตินี่แหละเนี่ยก็มีรูปแบบมีหลากหลายรูปแบบหลายอย่างรูปแบบก็คือรูปแบบอย่าไปสงสยัยว่าเอ๊ยทำไมต้องมายกมือ มันมีตกอกทำไมถ้าโดนจมกองเดิจมกองมันเสื อ, อกกติดอย่างเพราะงั้นอย่างนั้นอันนี้เป็นรูปแบบเพื่อจะสอนจิตให้กลับมาตรงนี้กลับมาดูสุราตรงนี้สอนจิตอย่งัน้นจิตมันก็ชอบไหลไปตามอารมณ์ตามความเคยจิตถ้าไม่มีตัวเคลื่อนไหวเนี่ยรูปแบบเนี่ยจิตมันไม่อยู่หรอกมันก็ไปตามอารมณ์ก็ลงรอยเกา่า ต้องมีการเคลื่อนไหวแล้วการเคลื่อนไหวเนี่ยมันมันปลุกมันปลุกภาพรู้ในตัวเราได้ดีภากประการนั่งนิ่งๆไม่ปฏิเสธการนั่งนิ่งแต่ถ้าเคลื่อนไหวมันจะกระตุ้นได้หรืการนิ่งเห็นไหมเราดูภาพนิ่งเนี่ยดูนิ่งมันสงบนิ่งแล้วมันก็สยบกวามนิ่งต่อจากสยบมันก็หลับไหลแต่การภาพที่เคลื่อนไหวเรามองไม่เห็นไหมมันมันเล่าใจมวยที่จุ่นจ้องๆเลยอยากถามว่ามันมันนหม คนดูก็เบื่อแล้วก็หลับโฆษณามานกว่าแต่มวยที่โชคลุยเนี่ยโอ้โ ห, โหคนดูตื่นเต้นเชียร์จนลืมเนื้อลืมตัวต้อไปชกกับขเขาด้วยเนี่อาการเคลื่อนไหวเลยเนหะมือนการเราดูเหมือนการได้เห็นภาพทีมันเคลื่อนไหวจิตมันจะดูต่อไปก็มาดูการเคลื่อนไหวแม้แต่มีเสียงดังที่พระพุทธเจ้าเอาเสียงป๊อกป๊อกป๊อกโอ้มีมีคุณภาพป้าคิดป๊อกป๊อกเ น, นี่ยได้มาจากผมนะ เนี่ยต้นเห็นมันจากผมวมา่าตาโตโตเมื่อก่อนไม่มีหรอกเพราะเวลาผมปฏิบัติเทเลสต์ที่บ้านเนี่ยผมนอนติกมือโอ้ในห้องผมเนี่ยมันเงียบมากามากเราขสว่างแต่มันนอกระนนอกระนองนอนติกมือติกมือไปดีจิต ม, ม, มันก็เล อ, อะกลับมาติกมือมารู้สึกเลอะมากลับมามันไม่มีอะไรดึอยู่ใจให้กลับมาดูมืออ่ะให้กลับมารู้สึกตัวที่มือเคลื่อนไหวอ่ะเออมันมีนาฬิกาเรือนนาฬิกาเก่าๆโอ้มันเดินจางขนาดมันไวมากเลย แต่แกับลำพานเะนีดังก็เกินลังเสียงบ้านงเงียบนะห้ อ, อกเล็กๆดังติ๊กติ๊กติ๊ ก, ก, กลแล้วลำานหลังก็เอ๊ะมันลงจังหวัดเสียงนาฬิกานี่มันลงทิดมือวิจัยวิจัยแต่เสียงเมริกาเนะ่ยวุ่นวายเมื่อไหร่มันจะหยุดนะทีหลับแล้วที่ไม่ได้ยินเสียงเอ๊ะจะได้กาวุ่นวายแตลืมไปว่าเราเผลอเผลอจากไอ้ความคิดจากข้างนอกมาสในใจนาฬิกามันใกล้ไว้หน่อยแล้วเอเออยากก็นั้นเลย ถ้าราฬิกามาเคลื่อนไหวลงจังหวะมันถ้าจะดีนะติ๊กมือเปก๊กติ๊กมือพอเป๊กแล้วเสียงติ๊กแล้วก็พิมพ์มือันจังหวะก็ดีนะเนี่ยก็จิตมันไม่ฟุ้งเนี่ยโอ้ขอบคุณในาฬิการดังวันนี้นอยู่ไหนไม่ได้เลยนะจับลายมองลายมันดีเนะโอ้ธนาต์เองก็เลยบอกวิธีการทางภาษาไปคุยด้ยวยภาษาสุขโขทโธลากรยาไปใช้มาแล้วก็ดีนะเสียงป๊อกป๊อก อาสัยถึยงนาฬิกามาเคลื่อนไหวมันก็ดึงจิตใจใิตใจแม่ฟงซ่าได้เหมือนกันอาจจะเป็นสมรรถนะในหน่อยในเวลาเราสมรรถนะจะมาตัดตีกระพุ้งนาขก็เราเราูรา้ว่าอ๋อนี่เสียงนาฬิกาก็ถือว่าเสียงนะฟังนาฬิกาแล้มีเสียงว่าขายน้ําปลานี้วก็เสียงเนี่ยลดขายน้าปลากับเสียงนาฬิากาตายกว่าเออมันเสียงมันคู่เนี่ยถ้าเราไม่สนใจเสียงอยู่การเคลื่อนไหวมันก็ได้ตัวปลาเหมือนกันนาฬิกาตรงนี้มันก็ตึงในด้านหนึ่งเสียงดลดขายน้าปลามาทางนู้น แต่เราก็มารู้สึกตรงนี้มัได้ตัวกลางออกตรงนี้ต่างหามันตน้องมีอารมณ์แบบที่เราข้าไมไปถึงแบบนี้มันช่วยได้นะเราะะั้นการเดินติดเนี่ยจะเสียงดังมากไปไห น, นไม่สําคัญเรญเราไปคล้องแว่นหรือเปล่าไม่ต้องหลับตาการหลับตาทำให้เกิดการหลับในนะหรือลืมตาที่เร า, าต้องลืมตาหลับตามแทางเข็มน้ำเกลือที่ไหนหรอกหลับตาตัวที่ไหน ลืมตาลืม โ, โลกนะลืมโลกในการลืมตาอย่าหลับหูลาลืมโลกมันไม่ใช่นชนโลกนะลืมตาปฏิบัติไม่ต้องใช้คําบริการลองไม่ใช้คําบริการดูสิแม้จะมีคมําบริการแทรกมาแต่อย่าไปสนใจมันมันคือความคิดนะคําบริการคือความคิดไหมเป็นความคิดการเจอตีแตกครื่องหมายเนี่ยปัญหาที่เราคือความคิดนะ มันคือความคิดตัวปัญหาแล้วยังมีการบริการสำหรับตายแา้วเราเป็นการเอาปัญหามากดทับไม่ต้องใช้คำวิธีไม่ต้องคิดอะไรให้เกินสมองหรอกสบายเลยได้พักก่อนคนเราไม่พักก่อนเพราะว่ามันคิดมากนี่มาบริการมัมอนอาจจะทําให้คิดเป็นระบบระเบียบหน่ก็คื อ, อยังคิดอยู่มารู้สึกล้วนเลยจิ้มมือสัมผัสรู้ยกมือสัมผัสรู้ รู้สึกประมาณนั้นจิที่มันรู้สึกนาการเคลื่อนไหวไม่ใช่รู้ด้วยตาตาไม่จะเป็นต้องใช้เลยนะการเตืนจิตแต่ไม่ต้องหลับตาใช้ความรู้สึกจีตเป็นสำผัสเป็นสปัตติลวดโดยธรรมชาติซึ่งที่นี่ก็มีที่ไหนพวกนี้นะสัมปรูนทรเจ้านจหนก็มีความสัมผัสแบบนี้ที่กมือรู้สึกยกมือรู้สึกการเคลื่อนไหวในใจรู้สึก ขยับกายใจรู้กายขยับใจรู้กายอยู่ไหนใจรู้ใช่ไหมรู้คือจิตหรือสติกายคือเคลื่อนขยับกายใจรู้ขยาบกายใจรู้ตันไม่ใช่คําพูดแต่เป็นความรู้สึกรู้สึกสัมผัสนี่แหละคือตัวท่าท้ายของจิตเดินจนะิตเดินแท้มันพูดไม่ได้หรอกไม่มีความหมายความหมายคือสมมุติ จิตเดินไคือความรู้สึกรู้สึกยังไงก็อยา่างนั้นไม่มีคำพูดรู้สึกยังไงก็อยา่างนั้นนะมันไม่มีคำพูดที่จะความรสึกทุกคนตอบเองได้เพรรู้สึกอย่า ง, งใช่ไหมมันเป็นของเฉพาะตัวจริงๆการมันเป็นครับเวลากายเคลื่อนไหวใจก็รู้สึกครั้งจบเครื่อนอีกรู้อีกก็จบเคลื่อนสิบสี่ครั้งก็ตรงสิบสี่ครั้ง ถารู้ไป่ถึงที่สี่ไม่เป็นไรหรอกจะมีอีกตั้งหลายที่สี่มมม ไ, มไม่รับตัวมั <c oughs> นมะีอีกมากมายเราได้รู้อะร่านการเพื่อหวนปลุกสติให้มันเข้มแข็งให้มันตื่นให้มันตื่นให้มันเข้มแข็ง <c oughs> เพื่อจะไปรู้ทันจิตที่มันคิดนี่นะนั่นะอย่าข้ามขั้นเด็ดเดี่ร้อนดูจิตแล้วดูจิตแล้วก็ลองไปดูสิอ้จิตมันกลัดเราไปรู้ตัว <c oughs> จะดูจิตได้แล้ว จิตต้องพร้อมต้องเข้มแข็งก่อนนะฐานของจิตต้องเข้มแข็งต้องมั่นคงจึงจะไปดูจิตกันใดการจะให้จิตมันเข้มแข็งนั้นดูกายเพราะกายมันไม่คิดมากอการไม่คิดอะไรกายมันหยาบหยาลูได้ง่ายเห็นได้ง่ดูไปก่อนสร้างฐานของสติมันเข้มแข็งแล้วเรื่มดูจิตเนี่ยเรือยร่อยมาเแล้วมัก็ผ่านมาอย่างนี้ผมว่าความเห็นของว่ามันเข้าแถวมาดูเลย ไม่ได้ไประโยชน์ไม่ต้องไปตามหาดูเขาเข้าแถวมาใช่คุณหมอคุณปบา้านลรวไปที่รักษาเขาคนไข้มาหาเราเออยอะยาทุกวันมันสบายเหมือนกันนะเนี่กาเยเคลื่อนไหวใจรู้สึกเป็นรูปแบบเดินจงกกงก้าวเท้าหนึ่งรู้สึกอีกกา้าวหนึ่งก็รู้สึกก็ต้องใช้ความคิดใช้การสะบัดรู้ก็มีแต่ความผ่อนคลาย ให้รู้ไปเรื่อยๆให้รู้เฉยๆรู้แบบไม่ต้องใช้ความคิดไม่มีบ้าววิจารรู้แบบไม่ต้องใช้คำบริกรรมรู้แบบไม่ต้องกังวลรู้สึกล้วนๆมันง่ายเป็นชีิตของเราเลยนะจะคิดอะไรมากมาคิดมามากไนมะ่พอแหละรู้เฉยๆเนี่ยทํ า, าทให้ต่อเนื่องบ่อยๆนั่นเองทําบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยจิตมันจะเข้มแข็งไปเอง เหมือนทางข้าวทีละคำแล้วก็อิ่มไปเองอย่าไปถามว่าเออเราทำแค่นี้ทำเมื่อไหร่จะพองล้วคุณทางข้าวกี่ซอนถึงจะพอห่อจะอิ่มมันเหมือนกันแหละเคลื่อนายวไปเถิดแล้วก็รู้สึกระนี้เป็นรูปแบบนะ น, นั่งสร้างจังหวะิดสี่รูเดินถ้าเมื่อยก็ไปเดินโจกรนะสองอย่างนอนนั่งยืนเดิน ใช้ถนัดเดินก็เดินใช้ถนัดนั่งก็นั่งใช้ถนัดยีก็ยืนใช้ถนัดนอนก็ไม่ต้องนอนงานทำนอนทํานสมมติไม่ชอบคนพิการเรามีสิ่งทา่เรายืนเดินไม่ได้เพราะถิงที่เรามีมากให้ผูทําเดินนอนทําอ่ะอ็ถือช่วยนั่งยืนเดินก็แล้วกันนะนแบ่งกันทำพอนอนแล้วมันเหตุทำให้เกิดความง่ว น, นอกจากคนไข้ผู้สูงอายุ ถ้าเดินมากแล้วท่านนอนทำอยู่ท่าจะทําแล้วหลับไปก็อนุโมทนาที่ท่านนอนหลับได้นะเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้เป็นรูปแบบไอ้ส่วนน้อรูปแบบนี่หมายถึงว่าเราไปทําในชีพประจำวันทําในชีพประจำวันเนี yeah. ่ยเราตื่นเช้าขึ้นมาลืมตาเดินขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่ ควรจะถามก็คือให้รู้สึกตัวทันทีเลยรู้สึกตัวทันทีเลยอย่าไปเข้าห้องน้ำก่อนกลางวันก่อนแล้วมานอนรู้สึกตัวไม่ ต, ต้องสามผัสแรกของชีวิตรู้สึกนี่คือสมัมผัสแรกของชีวิตเป็นชีวิตใหม่ทําให้จิตใจนั้นผ่อใ ส, สจัดความงวงเหงื่หง่วงหนาวออนนอนเนี่ยงงนนมันเป็นปัจจุบันชีวิตเริ่มต้นเป็นชีวิตใหม่ตรงนี้ก่อนเนื่อ เมื่อกี้คูยยันติธรรมใจ้างบอกว่าตื่น้าขึ้นมาเนี่ยเขารู้สึกตัวจิตมันรู้สึกมันแยกเวทนานี่แยกสัมปัตสเวทนาออกจากกายออกจากใจได้ชิตมันแยกออกไปเลยเป็นแค่สัมปัตแรกสัมปัสตาแปลความคิดเนี่ยสัมปัตแรกเนี่ยคือจิตมันน้อยหลับมันตุมปูแล้วมันได้พักผ่อนแล้วพอรู้สึกสัมปัตแรก่ยสําคัญที่สุดอาจจะรู้ทําก่อนรู้จักเตรียงก็ได้นะ ออย่าไปดูถูกการรู้ทําเล็ดทุกนาทีอย่าปฏิเสธอย่าประมาทจะได้ทันทีเลยเร้่มต้นเรียนรู้สึกตัวมาซ้อมทำราการไปเข้าห้องน้ํานะตอนนั้นก็ให้รู้ไปต่อเนืี้ไปจะทําอะไรก็มีสติตามรู้ไป เ, เรื่อยจะเข้าห้องน้ำํำรู้สึกตัวเนี่ยจะทานข้ารู้สึกตัวนะวจะแต่งเลื่อนตัวให้รู้สึกให้รู้สึกเป็นปัจจุบนนันของเราเลยนะ รู้เป็นปัจจุบันเนี่ยาประจําปันอะไรก็ทําขึ้นมาไปรู้เปนปัจจุบันปัจจุบันนั้นเราทําอะไรเราก็รู้สึกแต่ตอนนั้นทีมันเป็นยุคที่ปัจจุบันมากไม่จะเป็นต้องไปเพ่งหรือระวังไม่ต้องรู้แบบผุวเผินสบายๆอะไรที่ลืมแล้วก็แล้วไปแล้วก็เริมรู้สึกใหม่ลืมแล้วก็แล้วไปรู้สึกใหม่ลืมแล้วก็แล้วไปรู้สึกใหม่รู้ที่กายเคลื่อนไหวก็ได้ รู้ที่จิตมันคิดปรุงแต่งก็ได้รู้ทันจิตที่มันคิดปรุงแต่งแล้วปล่อยมันผ่านไปเรื่องของจิตต้องรู้ให้ทันรู้ให้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันไม่เป็นไรรู้ใหม่จิตเราไม่ตอคิดอีกมากมายอย่าไปมึนหิบมากทํำไมรารู้ไม่ทันเรากวดไปแล้วเรามุนิบไปแล้วก็มาแล้วไปแล้วไปเก็บของเก่ามาอุ่นกินทำไมก็ทำเอาใหม่รู้ใหม่รู้ใหม่รู้ใหม่มันก็เป็นชีวิตใหม่มันใหม่ทุกวัน เี้ยใหม่กับน้องเกษตด้ลยนะเนี่ย <c oughs> บันใหม่ทุกวันสดทุกปากคือเริ่มต้นรู้ใหม่รู้ใหม่ชคิดมันจะใหม่ตอนรู้ใหม่แย่นี้นะของเ ก, าก่าๆ ก, ก็อย่าไปสนใจนแล้วก็แล้วกันใหม่ความใหมขนาดจิตดวงใหม่เนะี๋ยแต่ละวันนั้นอยู่อย่างนี้แหละทำอะไรก็ตามในกิจวัตรประจำวันเนี่ยให้รู้สึกกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตมันคิดก็รู้แล้วก็ปล่อยมันเนี่ย ทำบ่อยๆนะทำบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตที่มันจะเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นวันละเล็กวันละน้อยจิตจะเข้มแข็งมากขึ้นหนึ่งวันสองวันสามวันเฉพ็นการเปลี่ยนแปลงจิตสันทีเลยนะรู้สึกตัวต่อเนี้จิตจะเข้มแข็งมันจะรู้เองโดยอัตโนมัติเนี่ยเรามานั่งสร้างอะไรเนี่ยบริการสร้างเหตุปัจจัยให้จิตมันรู้สึกตัวเองขอมันเองจริงมันรู้เองอยู่แล้วแต่เราไม่เคยสนใจมันเลย อัตโนมัสร้างเหตุให้มันหน่อยให้มันกลับมาดูตรงนี้หน่อยมันจะรู้เองเป็นอัตโนมัตินะและ้วทีนี้ก็อาการปฏิ บ, บัตก็จะง่ายง่ายมันอยา่างเราไม่ได้มีการปฏิบัติแต่มีความรู้สึกตัวที่มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจิตก็จะสงบได้ง่ายไม่ทีเดียวความผ่อนคลายชีวิตจะมีความผ่อนคลายจะคิดจะริบลาก็ภายใต้ของสติที่รู้ตัวทั่วพร้อมโดยการคิดเรื่อะไรอย่าง การปฏิบัติไม่ได้ห้ามความคิดแต่ว่าให้รู้ถันความคิดการปฏิบัติไม่มั่วความสงบแต่รู้เท่าทันในความสงบเรจะพ่อความสงบที่แท้จริงจะสงบลึกนะไม่ได้ห้ามแต่รู้ทันบางทีมีอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดมากระทบแต่ละวันมากมายหงุดหงิดรายวันเครียดรายวันทุกข์รายวันโกรธรายวันมันมาหรือเรื่องเหงาร า, ายวันเสกรายวัน นี่แหละคุน่ะมันเป็นมันเป็นแขกรายวันมาเยี่ยมทุกวันมาเจอทุกคนเราก็ทําหน้าที่เอารู้ทันอ๋อนี่แขกหน้าเอาเก่ายินดีต้อนรับมาปรงไหนก็กลับตรงนั้นพอรู้ทันก็รักษาถือได้เป็นปกติไอ้แขกรายวันก็ไปหาสนอื่นตอบเราต้อนรับแบบไม่ทําตามใช่ไหมรู้ท้อนรับมันก็ถ้ารู้ไม่ตันเราวก็ไปกับมันไปไปกับมันก็ดึงมันอยู่กับเรา สติรู้เท่าทันแต่ความทุกข์รายวันรู้ทันแล้วมันก็ผ่านไปบางคนที่มีลูกนะเลี้ยงลูกทารุณทารุณลูกหลอกเราไม่ได้หรอกไอ้ที่ลูกหลอกได้เพราะเราไม่รู้ทันกันจิตก็เหมือนกันนะพออารมณ์กระทบรู้ทันอารมณ์อารมณ์มันก็มันก็เกิดอนไปเข้าจิตก็ไปดีกว่าแต่เข้าไปนี้มันขาดสติคนที่มีสติมันเข้าไม่ได้แต่พลังมันเข้มแข็ง นะเนี่ยกเราชนะอารมณ์ได้ตรงที่รู้ทางจิตัวที่ไม่ต้องเปลี่ยนกระดาษดูจริงเมื่อจิตเข้มแข็งแล้วมันจะดูทางเห็นทางความคิดรู้ทางมันแล้วก็จัดการกับความคิดการบุกแบี่ยงการที่ไม่ต้องทําอะไรโดยปล่ยมันผ่านไปง่ายการทํางานเนี่ยทุกคนก็เป็นบุคคลที่ทํางานอยู่แล้วการทํางานถ้าทางานด้วยการกระสติ อยู่กับกายเคลื่อนไหวอยู่กับใจคิดนึกเนี่ยมันจะมีแต่ความอ่อนคลายจะพบความสุขถ้าจิตใจจดจ่ออยู่การทำงานเป็นปัจจุบันเนี่ยจิตมันก็มีความสงบตั้งมั่นมีสมาธิโดยธรรมชาติอยู่แล้วไม่ปุุงแต่งฟุ้งต้านไอคิดถึงผลของงานว่าจะได้อะไรจะเร็จทันไหมใครจะปฏิบัาิหรือเปล่อยจะไม่กังวเลเรื่องอนาคต เรื่องของผลงานเราจะไม่กังวลถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วสู่ที่ผ่านไปแล้วจากบ้ากจากที่อื่นอยู่กับปัจจุบันอยู่กับแรงงานจิตมันก็เป็นกปกติพอทํางานแล้วมัมีความสุขเพราะว่าไปกังวลถึงอนาคตไปคุกคิดกั่เรื่องอดีตที่ผ่านมาลืมปัจจุบันถ้าทำได้สติเนี่ยความสุขมันมีตลอดเวลานะทํางานนะสุขได้ทุกวันอย่าไปรอว่า ต้องรอที่ผลงานออกมานั่นสุกเพียงขั้นเดียวสุกในปัจจุบันเนี่ยมันได้ทุกวันทุกวันทุกวันถึงเวลามีผลงานขึ้นมาเราก็ได้สุกไปอีกเป็นของแสนและโอมานไปสาสเดดวันสุกถ้ะสาสเดยดวันไม่ต้องไปแสวงหาสุกจากนอสแหนรออย่าแดงแย่รอการทํางานนี่มันต้องทํางานนะมันจะได้เงินเพื่อไปหาซื้อความสุขทํางนอสงานไม่ใช่ความสุกแต่การไปเที่ยว พ้นอกไม่ใช่จาั ก, การาแต่เป็นความสุขเราไปแบ่งแยกความสุขเอาเราสามารถเอาความสุขกับการทํางานมารวมเป็นหเดียวหูดการกริตนสติเนี่ยมันจะเป็นศิละปะของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเลยนะและมีคุณค่าเลยเนี่ยปัญหาความสวยการทํางานนะทำงานให้มีสติให้มีสติสตอยู่การทํางานเตือนตัวเองเสมือว่ามีสตินะ อารมณ์ต่างๆเนี่ยมันจะเข้าแทรกไมได้แม้เข้าออมาก็มีสติอารู้ทันจิตมันก็จะผ่อน ค, คลายทุกขณนะมันจะไม่เครียดคนที่มีความทุกข์เพราะว่าจิตไปเกาะติดอารมณ์เพราะว่าไม่มีพลังไม่ได้มีการจนสติอยู่เนืองจิตก็ไม่มีพลังมันก็ต้องเป็นทุกข์ไปแล้วการเพลิดิในชีวิตประจำวันมันเป็นเครื่องอยู่ของสิ่งที่เป็นกุศลเป็นเครื่องอยู่ของสิ่งที่เป็นกุศลนะ ได้ทําบุญทุกวันโดยที่ไม่ต้องภาวนาก็สามารถมีบุญได้การทำบุญส ต, ติมันเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายบุญส่วเชืไหมบ่อยๆเก็ได้ประโยชน์สำหรับตัวเราแล้วมีคุณค่าเป็นการฝึกจิตใจทําให้ชีวิตมันมีความสุขมากดีขึ้นาพระเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ฝึก ด, ดีแล้วเนี่ยนําสุขมาให้ นะจิตที่คุณมีแล้วเนี่ยนำสุขมาให้ก็เปิดด้วยการสติุ ต, ตื่นะติดเนี่ทุกวันอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่ที่ไม่ยากเดียวเราเดยนเพราะคนทุกคนเนี่ยเดี๋ยวว่าจะคุณหมอคุณพยาบาลทําหน้าที่ดูแลคนไข้เนี่ยคนทุกคนเนี่ยมีหน้าที่เหมือนคุณหมอคุณพยาบาลมีที่เป็นหมอรักษาตัวเองพยาบาลตัวเอง เป็นหมอดูแลคนใก้ตัวโพยาบาลสูขใกล้ตัวทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนะกันเป็นหมอเป็นพยาบาลประจําเัวเ อ, อยู่แล้วเพราะตัวคนทุกคนเนี่ยคือคนไข้ <c oughs> เราเนี่คือคนป่วยร่างกายคนป่วยนะถึงเวลาก็ต้องให้อาหกินถึงเวลาก็ต้องพาน้ำทายถึงไม้เวลาให้ปับนตอนอาบน้าให้มันเ่นป่วยใข้กับรักษ า, านะไป่ะใครคือคนไข้ก็ตัวเรา และใครคือผู้ดูแลตัวเราก็าคือจิตใจเป็นพยาบาลดูแลจิตใจดูแลตัวเรานะแล้วะแล้วใครเป็นคุณหมอก็ตระหนปัญญาดูแลกิจว่าป่วยแบบนี้ต้องไปหาหมอที่ไหน <c oughs> วินิจฉัยนะในตัวเรานี่แหละเป็นทั้งคนไข้เป็นทพยาบาลเถ้าคุณหมอเสร็จเรียบร้อยพึ <c oughs> ่งตัวเองนะช่วยเัวเองได้บ้างก็มีประโยชน์ในการเป็นช่วยเหลือคนรอบข้าง มีอนปภาพนะแต่ชื่วเหลือคนรอบข้างเลยเริ่มจากตัวเราเป็นงานที่มีคุณค่ามากเลยรักษาตัวเรารักษาคนอื่นจะเป็นต้องใช้คนไข้จะเป็นใครก็ตามไม่ใช่ป่วยเฉพาะอาร่างกายหรอกไม่ได้มองคนอื่นมองตัวเรานะเราเวลาป่วย่านป่วยเฉพาะร่างกายไหม โอ้จิตใจนี่้ก็ป่วยมากเลยนะใจให้ป่วยหนากกายบางทีลืมแปลว่ากายป่วยแต่ใจพ่วยแต่ครุ่นคิดมันจะหายไม้เนอะทำไมหาจะทำยังไรใครจะมาดูแลเราบันลืมป่วยทางกายไปแล้วแต่ใจมันไปป่วยกับอารมณ์เด็กก็เลยที่การใจเป็นตัวกัน <c oughs> จิตใจสำถันมาก <c oughs> เพราะว่าอะไรพักใจไม่มีเครื่องอยู่ ไม่มีเครื่องอยู่แล้วก็ปุ้งไมตามอลงแต่ยิ่งต้อไม่ตามป่วยจะลงพยาบาล น, นะอยู่บนเตียงเนี่ยไปไหนไม่ได้นะมีท่านน้ำเกลือมีท่านซอสเย็นอยู่ในโรงพยาบาลไปไหนไม่ได้เนี่ยถ้าม่มีเครื่องอยู่เนี่ยวผมมันจะฟุ้งมากดิ้นต้นเด็ดก็ดูไม่ได้ต้องถือผินดพลาดต้องสะดวกนะทีวีก็มองลงพยาบาล <c oughs> <c oughs> จริงๆไม่ได้ีตั้มานงยาาพไมคนไข้ลงที่คนไข้ก็ไม่ดูระติคนไข้ก็ดูคนไข้จะบอกก็ไม่เอ า, าเกณฑใจบอกไปเด็กเขาก็ไม่มาดูแลเา่านหนสืรรรสรรทํมารเปิดวีดีทีทำมาร์สร้างบรรยากาศในโรงพยาบาลนี่เป็นกุศลเนี่ี่โหตอบช้าตออเกณนในเรื่องทีวีโลกเปนไแล้วกีฬาสีในเรื่องกีฬานะที สีโน้ตสีนี้ชี้อะไรกันต้องตลาดช่วยจิตใจคนใกล้ดีที่นเรื่มปรุงสร้างมากขึ้นขาวขาวปยุนหรืออะไรสารมพดีอะไรที่เกี่ยวกับธรรมะถห้คนใกล้ก็ดูแล้วผ่อนคลายก็ต้องคิดว่ากอันนี้อันนี้พูดไปเรื่อยๆนะไม่ต้องตามตามก็ได้นะ <c oughs> เพราผมเป็นพอไม่ได้ต้อเปลี่ยนหมดเนี่ย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่อจิตใจเพราไม่มีเครื่องอยู่อยู่บ้านได้ดูทีวีไล้เสพอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์เกมต่างๆพราะอยู่โรงพยาบาลเนี่ยไม่มีเครื่องอยู่อีกกล้พุงซ่าอยู่ไม่เป็นสมุทจริงๆไม่ใช่เพราะว่าร่างกายป่วยไข่หัอนะแต่ว่าจ like ิตเนี่ยอยู่กับตัวเองไม่ได้เราเหมือนกันทุกคนต้องอยู่บ้านที่เฉยอยู่ไม่ได้เราเพื่อตายอยู่กับตัวเองไม่ได้จะต้องไปจะต้องไปดูแล้วงไปบาง อะเลี้ยวันกินให้มีอะไรทําอยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วมารักตัวเรารักตัวเราก็อยู่กับตัวเราไม่ได้เลยหนี้ตัวเราอยู่เลยไม่รักตัวเราเป็นรักอารมณ์ที่มายั่วเราใช่ไหมต้องตให้เราอยู่กับตัวเองต้องทนกับว่าอยู่กับตัวเองไม่ได้คุณหมอคุณพยาบาลดูแลคนไข้ไม่เจ็บปูแต่ดด้วรากายดูแลอำนาจจิตใจมากให้กําลังใจอย่าไปโกรธอย่าไปเครียด ให้กำลังใจเขาคุณหมอคุณนรีบาทำหน้าที่แบบผู้ให้ทักจิปวิญญานั้นมันต้องนั่งสามารถเทศสอนคนไข้ได้ต้องทำหน้าที่เป็นเเอป็นพระหมอเป็นแค่ย์สอนไข้ได้ความป่วยไข้เรื่องธรรมดาความเจ็บไข้ที่ปยเรื่องธรรมดาคอามายเรื่องธรรมดาสอนคนไข้ให้จะทำตรงนี้บ้าง สอนคนไข้แล้ก็สอนตัวเราให้กำลังใจไในความป่วยไข้ เ, เรื่องของร่างกายทุกเรืองของกายนะใจเราไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องป่วยตามก็ได้ชื่อเรามีสองอย่างมีกายกับใจเรื่องร่างกายที่ใลอกเดี๋ยวผุ้หมอจะดูแลพยาบาลจะดูแลนะอย่าไปกังวลเรื่องร่างกายนะดูแลเรื่องจิตใจของเราให้กำลังใจเนมะืมีพลังทุกของกายเนี่ยทุกของใจนะเห็นไหม เราว่ามีความสุกขมากสภาพร่างกายที่เป็นทุกอย่างคนที่เป็นมะเร็งหนักกัเรา ก, ก็มีนะคนที่การเดินไม่ได้ก็มีทุเรานี่ไม่ใช่ก็หายอย่ากังวลให้หมอจะดูแลร่างกายภ่าษาใจตุเป็นปกติเถอ e. ะให้กําลังใจเขาป่วยทางกายก็รักษาไปให้เป็นายหรอกหายก็หายใหม่ไม่เป็นไรใจเราไม่เป็นไรให้กำลังใจเพระใจต้องดีเนี่ยในสุขภาพกายก็ดี ก็เป็นไข้ที่รับยาสามารถให้หายได้เริ่มต้นดีใจก็ดีแต่ใจมันไม่ดีเนี่ยไม่มีประโยชน์จีนยาไปามันก็มีการต้านนะใจไม่ดีในใจมันต้านแล้วก็เตทงต่างแล้วก็ไม่อยากจะรับยานะถ้าใจดีเรื่อยๆยาต่างเข้าไปรักษาดูแลร่างกายหมอให้กำลังใจต้องสอนจะตเตอร์ทำบ้านในะนการสอนให้รู้จักทำมันะำม่งทำมั่งจมีทุกที่แม้แต่ในโรงพยาบาล พผมเองเนี่ยสมัยก่อนไม่มีเครื่องอยู่โวยในไม้เนี่ยโอ้ทุกข์มากไม่มีเครื่องอยู่จิตใจมันพุ่งสารางคือคนมันว่างงานแหละเพราะว่างานใจมันไม่ยอมว่างนะต้นงคุ้นคิดมีสองอย่างอยากจะนู้นไม่อยากจะนี่มีอยากแต่ไม่อยากสองอย่างแต่ตัวสมุทรใจอยากหน้ายอยากมีอยากหายจิตใจอะไรอย่างที่ไม่อยากเป็นอันนี้ไม่ชอบอารมณ์นี้ไม่ชอบมันยิน ไม่มีเครื่องอยู่อทุกข์เพราะร่างกายที่การไม่ถลายแล้วมันลืมไม่ได้จากใจเพราะทุกข์เพราะว่าไปอยากไปไม่อยากคุ้นไว้นอนไม่มีเครื่องอยู่ก็สายการฝึกจริะสตินี่แหละฝึกจริะสติในยุคประจำวันนี่แหละนอนติ๊กมือเน่นแล้วลก็รู้สึกตัวขยับ ก, กายใจรู้ทันเเคลื่อนไหวในเรียกร้อสติรู้ตื่นนั้ น, นก็รู้สึกตัว พับข้อกผมก็รู้สึกตัวแปลงควันรู้สึกตัวติกตัวทางซ้ายก็รู้สึกตั ว, ต ว, ตตวมั่วนอนกับพิกกันขวาก็รู้สึกตัวพยายามกายเรื่อยนิ่งไม่ได้นิ่งมันจะจะหลับดับทุกข์อบนเตียงอค <c oughs> วามสามารถมีอยู่แค่นั้นแหละอยู่รอบๆเตียงทําอะไรหาเรื่องหาเรื่องเอียทํางานไม่ยอมอยู่นิ่ง <c oughs> พอห่มนี่ต้องพับเอาไว้เรียบร้อยกบครีมาแล้วก็พัดไปอย่างรู้สึกตัว หาเรื่องให้มันทำเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวนะไอ้หัวนอนผมนี่มันจะมีพวกแรงกดแรงสีปัทยาสีปัทหนังสือวางไว้จัดมันอยนั่นแหละเมื่อจบบทที่จัดทางนี้นนไม่ไดีจะย้ายทาง น, ยยาางนี้คือหาเรื่องให้มีการเคลื่อนไหวแล้วไปรู้มั น, นีมาจะหาเรื่องทายหาเรื่องโยวยทำมีสติอิริยาบถบันน้อยมันจัง แค่ทุ่งเมืองเดียวไม่พอจะต้องทําอะไรก็ตามที่เป็นญยาบทจะย่อยมันง่วงก็เอาบหาแล้วทิ้งซายทิ้ขวาลุกไปไหนไปผ่อนคลายอะไรไม่ได้มันเครียดก็ต้องทำนช่ไหมเนี่ยอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรเพราะมันต้องการจะกินเดิมพันสูงสุดคือความให้ทุกมัวแต่ง่วงมัวแต่เบื่ออะไรันก็ทุกไปจนตายมันมีทางเลือกสองอย่างถ้าไม่ทำมันก็ทุกถ้าทำมันออกจะทุกโอ้ออกจากทุกนี่มันมันเพลอนะ เนี่ยก็สายการเคลื่อนไหวอย่างนี้แหละเอาไว้ว่าส่วนไหนที่มันพอจะเคลื่อนไหวแล้วก็จับออกมาออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกตัวเติมความสุนแป่กยกายเคลื่อนไหวรู้กายเป็นงานเนี่ยมันลืมเสียงนาฬิกานะลืมอารมณ์ภายนอกเลยมันไม่เห็นจิตที่มันคิดปรุงแต่ อ, อ๋อไม่ได้เจตนานดูความคิดประก่อนที่ตัวความคิดตัวจะคิด พอคิดทีไรใจเราทุกทุกทีเลยเวลาเกิดปัญหาเพราะความคิดจะแก้ปัญหาเพราะความคิดคิดสร้างปัญหาแล้วคิดแก้ปัญหาคิดอย่างนี้ทุกวันทั้งสร้า ง, งปัญหาและแก้ปัญหาเนี่ยมัเเ น, นเราก็เหน็ดเหนื่อยใช่ไหมเหน็ดเลนือยเหน็ดเลยฟุ้งร้างมันก็ไม่ดีเราแก้ปัญหาเพราะความคิดมางาน มันก็ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มมาไหนคิดแล้วทําไม่ได้เนี่ยมันเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหามากนี่เราอาศัยแก้ในการรู้ทันความคิดและปล่อยความคิดผ่านไปโอ้หมดปัญหาเลยจิตใจเมื่อไหร่มันจะหายเนาะความปิการเมื่อไหร่มันจะเห็นธรรมะเนาะปฏิบททัติธรรมเมื่อไหร่เราจะมีชีวิตที่ดีขึน้นนี้เมื่อไหร่จะพลุกุกออกความคิดทั้งนั้นเลยนะเพอาะวิสติรู้ทันปั๊บ มันลุดไปหมดเลยโอ้นี่คือการแก้ปัญหาโดยการรู้ทันและปล่อยปัญหานไปโอ้ปัญหาใหญ่จริงไม่ใช่ที่ไหนหรอกอยู่ที่ความคิดปรุงแต่งนันเองความคิดมันนำเอาราคาตัวสั่งปอะความชอบป้าไม่ชอบป้ามากไปพอเราเมตสติรู้ทันความคิดปั๊บทุกอย่างจะจบลงโอ้ปัญหาหมดลงที่รู้ทันสิทที่มันคิดนี่ พวกเราทุกคนมีแก้ปัญหาเพราะความคิดใช่ไหมคิดแก้ปัญหาบางทีมันก็เท่ากับเป็นอะไรก็ได้เป็นใยพันตัวแก้ไม่ไดนะ้ลองรู้สึกตัวไปในความคิดปัด๊บเลยบางทีมันจบเลยปัญหาอากาศร้อนเกินไปเย็ยนเกินไปคนนุ้นผู้มีดีเห ง, งานมันยากเกินไปไม่เกี่ยวเลยนะเกียริใจเราหาไปสัมผั์อีกนั่นแบบไหนแล้วเราแก้ปัญหาด้วยใจเป็นกลางไหม เรแกล้งความ้จทีเป็นอารมณ์นะไอสิ่งที่ดีเราก็จะชอบทำไอแบบนี้เราก็จะหนีอชอบทําสิ่งที่ดีแล้วมันดีแน่ไหมต่อไปก็เลื่อแกรงรไม่เอาอะไรเห็นไหมการปฏิบัติธรรมที่จุกกายสบายใจในห้าวันโอ้จกจัดอาหารดีมากที่พักดีทุกอย่างคอมเมนต์มาบอกมันดีเกินไปทําให้ผู้ปฏิบัติสบายเกินไปอ แล้วบางที่นะอย่างที่วัดเนี่ยอะไรไม่ค่อสมบูรณ์หรกินข้าวก็ไม่มีถ้วยหรูกินกละมังห้องน้ำก็ก็เจ้าไหนจะดูแลไม่สะอาดก็ต้องใช้เนี่ยยุงก็เยอะงูก็เยอะเออตะดึกโอ้ที่วัดนมีมีแต่วความลํำบากตรงนั้นเลยครูบาอาจารย์ก็มาคอยเอาใจนะมีตะ ด, ดูนะโอ้ไม่ดีไม่ดีแตแล้วแต่ประมาที่สบายพ้นสบายเกินไปคนเรามันหาตัวกลางไม่ได้อารมณ์ นั่นอย่าไปโทษอย่าไปโทษสิ่งภายนอกอย่าไปโทษปลาโทษผลเลยโทษใจเรานี่ยนะมันไม่ไม่ปรกติไม่แก้ปัญหาที่เป็นกลางทุกอย่างมันมีปัญหาทั้งหมดคนโั้นก็มีปัญหาแล้วมีปัญหางานก็ยากหรือแม้ว่าเราเป็นตัวแทนพุทธเจ้าแต่ไป่ดีมากนะฟ่ามือที่ที่มีบาดแผลฝ่ า, ามือที่มีแ บ, บแถถาดแผลเนี่ยไปจับอะไรเนี่ยเชื้อโรคพอเข้าได้ ฉัน า, าด้เ่าดีใจที่ไม่ปกติที่มีแผลไม่ปกติเลยไปถูกอะไรเขาก็รู้สึกยางไงมีปัญหาไปทั้งหมดเลยไม่เวลาเราข้อมเขียนบอกว่าปัญหาในใจนะั้นอาศัยสติอารู้นสติเนี่ยมันกวาดล้าเหมืนนอนใบมีดรถแทกเตอร์สามารถปาดที่ผูกปัให้เรียกลาดเป็นหน้ากรอสติเนี่ยตัวกวาดล้าล ย้อนึงรอรพอๆรักษาสิด้ปลอดภัย <c oughs> โดยที่ใจเจ้าของไม่เครียดรัากษาโดยการรู้ทันและปล่อยมผ่านไปนะเอารู้ทันแล้วไม่ทําลายสิ่งที่เรารู้ปล่อยสิัิผ่านไปไม่ติดในสิ่งที่รู้แล้วก็ไม่ติดไม่ติดในจิตที่ผู้รู้ด้วยไม่ติดในอะไรเลยนะ ถ้เราทำใจยี้มบ้างเดียมันเห็นอาการจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดาบ ไ, ไปจนถึงบไปบังคับบัญชาไม่ได้มันเห็นอย่างนั้นจริงเนี่ยอากาศการจิตนิดน้อยที่เื่อนไหวนิดน้อยจิตเลี้ยวหมด น, น้อย เ, ยเย น, นีย่ยเคลื่อนไหวไปสามารถปรงภาพุรู้ใหจิตตื่นให้มันตื่นไม่เอาความสงบสงบแล้วหลับพอตื่นมาตื่นมาจากกายที่ปฏิการตื่นออกมาจากจิตที่มันคิดนึกกลุ่มแตกจิตอิสระจากอารมณ์ จากความวิการของกายกายไม่หายใจไม่ทุกข์อารมณ์ปุงแต่งแค่ไหนใจก็ไม่ทุกข์รู้ต่อตัดอิสระแค่รู้ตัดเลยทุกอย่างมันหมดปัญหา <c oughs> มันหมดปัญหาเลยเพราะฉะนั้น <c oughs> มันทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น <c oughs> ตอนแรกที่เราคิดกุงแต่ไปเพราะเราไม่รู้จักตัวเองก็จะพยายามไปแก้ไขสิ่งภายนอกให้เล่นใจเรา ซึ่มันง่ายถ้าแก้กายจิตใจเราให้เข้าใจถึงไตรลอกมันง่ายมันง่ายมันง่ายที่ว่าเราแก้จิตใจเราเนี่ยปัญหาญต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะมันกลายเป็นเรื่องธรมรมดาผมเคยบอกทุกอย่างคือปัญหาอุปสรรคต่างๆนั่นคือปัญหาความทุกข์คือปัญหาความไม่ถูกใจคือปัญหาแต่พนุษยทันใจที่มันมองปืดเป็น ป, ปัญหาเนี่ยมันก็หมดปัญหา แก้ดิจเราเนาะพอยอมรับเมันมันไม่ใช่ปัญหาเข้าใจและยอมรับมันได้ใจมันก็ไม่ใช่ปัญหามันแก้ดิจัยเราเลยสิ่งไปต่อคือในเรื่องสิ่งไปตอกลายเป็นปเรื่องธรรมดาไธรรมดาไหมความป่วยไข่เนี่ยเนี่ยเวลาป่วยไขแล้วเมียเนี่ยผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะเขาดูรรผมไปทําอะไรที่เขาไม่พอใจหรือเปล่า ธรรมดาไหมความป่วยใช่ธรรมดาเจ้านายดูเรานี่ธรรมดาไหมเขาอื่นไม่เห็นความเสียงเราธรรมดาไหมแล้วเวลางานยากธรรมดาไหมงานหนักธรรมดาไหมไหนนะธรรมดาอยู่ข้างนอกเท่งนั้นแหละธรรมดาใจเราต้องไม่ทุกข์เป็นธรรมดานะความไม่สําเร็จเป็นเรื่องของงานความไม่ทุกข์เป็นเรื่องของใจ ใจพูดมากเรื่องธรรมดาใจเไม่ทุกข์เปเรื่องของใจเอาไม่ทุกข์ไม่พอพอรูปธรรตัวไปทําอะไรเลยนละ้ใจไม่ต้องทุกข์เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งธรรมดาโดยใจที่เป็นปกติธรรมดาเห็นไหมทข้างนอกโดยหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ใจเราเนี่ยปกติธรรมชาติใครจะม เ, เหมือนจิตใจเราไม่ได้หรอกเดี <c> ๋ย <oughs> พูดว่าล้อจากข้างนอกมาหาใจที่ไม่ทุกข์นะ เนี่ยการเป็นแบบเรื่องความไม่ถูกมันจะรู้จักตัวเองมากขึ้นฉลาดในอารมณ์ตัวเองฉลาดในอารมณ์ผู้อื่นด้วยเข้าใจผู้อื่นไม่ขัดแย้งกับใครคนที่ยังขัดแย้งอยู่เนี่ยยังไม่ถึงธรรมะนะธรรมะต้องไม่ขัดแย้งกับใค ร, ใครพู้ถูกก็ฟังได้ผู้ผิดต้องฟังได้ไม่พูดต้เข้าใจเขาฮะมันส บ, บายเลยถ้าจะฟังก็ฟังเราพูดวันเนี้ย กะว่าจะพูดให้หลับด้วยใจเราทำมาแล้วต่อเก็หลับสบายไม่ได้มีการคาดหวังผมทำหน้าที่ไม่เคยขาดหวังใครจะฟังหรือไม่ฟังหรือไม่ไปทําตามมันไม่เกี่ยวกับผมพูดๆพูดๆข้าวหน้าดี่พูดให้ดีที่สุดใครว่าไม่ดีเราว่าเราดีกันแล้วกันแล้ก็จบลงที่ตรงนี้ใจยม่ทุกตรงไหนไม่มีขัดแย้งกันไปแล้ เพราะฉะนั้ร เ, นเริ่มเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตมองความทุกข์มาอุปสรรคคือส่วนช่วยทําให้เร า, าที่เราดีขึ้นมาถ้าไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีเราวันนี้ถ้าไม่มีอุปสรรคเราก็ไม่อยู่ได้ไถึงสาสกว่าปีมองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ปัญหาชีวิตที่ผ่านความทุกข์เป็นชีวิตที่มีชีวาเราไม่มวันรู้จักชีวิตเลยไม่มีวนันที่จะรู้จักชีวิตเลยถ้าเราไม่ผ่าน บทเรียนความทุกข์ทางภาต่างๆความป่วยไข้ความป่วยไข้ความไม่สบายใจความบุติิใจความไม่สุกใจนั่นคือสิ่งที่ช่วยทำให้เราได้เข้าใจชีวมากยิ่งขึ้นเลยนะชีวิตที่ผ่านความทุกข์เป็นชีวิตที่มีชีวาไม่างเกี่ยวไม่ต้องไปหาความสุกขที่ไหนนี่แหละที่ใจเราที่อิสระจากอารมณ์ต่างๆศึกษาตัวเราตัการตัวสิ่งนี่แหล ในการศึกษาชีพเพราะว่าในการกลับกระดูกตัวเราย้อนจับกระดูกตัวเราให้มากกว่าการดูขา้างนอกพอเข้าใจตัวเราแล้วเนี่ยถ้าตัวเราเนี่ยซึ่งไม่หนีตัวเนี่ยไปช่วยเหลือข้างนอกไปช่วยเหลือคนอื่นเขาช่วยเขาเขามีความสุขแล้วก็พร้อมมีความสุขด้วยความสุขเขาตัวเราเนี่ยจับมือไปด้วยกันเลยผมเนี่ยนะร่างกายพิการเขาจับมาทําความเข้าใจผูดจาก็ทําได้ อนนี้ก็คือสิ่งที่เราช่วยเพื่อพูดกันเราถือว่าร่างกายทพิการแต่จะให้พิการแล้วก็พูดให้กับคนที่ใจพิการร่างกายพิการปั่นบ้านจะเป็นไรนะเนี่ยเพราะนั้นทุกคนจะเป็นคุณหมอคุณพยาบหรือผู้ที่สนใจทำบ้านอย่าลืมย้อนถัดมาดูตัวเราด้การเจริญเสียนี้แหละมันจะทําให้เกิดปัญญารู้แจ้งเข้าใจตัวเราตาก่อนที่ แล้วทุกข์จะไม่เกิดที่จะมีแต่ความสุขเหนือสุขปฏิปิระกลับมาดูตัวเราศึกษาชีวิตเสื่อมทราที่จะไม่มีชีวิตที่ศึกษานะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะพัฒนาสิ่งน้ก็ต้องเป็นคนที่หมั่น ย, ย้อนกลับมาดูตัวเราฟืนมม้นสติเสมอๆอย่าทําเป็นคนที่มีธุละมากเกินไปการมีธุละมากทําให้จิตใจนึงวุ่นวายธุละรุ่มเยือกทำให้จิตใจวุ่น ว, า, นย า, นนวายหาเวลาพอทีาย วเวลาเจอสติีส บ, บ้างเนี่ยผู้ตรงตัดได้ว่าพงมีธุระให้น้อยใช้วิธีเรียย่ยงได้ธุระยุ่งเยิงเป็นหนทางต่างต่างความปันเปือนของจิตใจ <c oughs> จำกัดตัพลังให้มากสิทธิไลธลระก็ประวานมาซะ่ากเราทำมามากแล้วใชเวลาพัฒนานิตใจ ด้วยการเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญารู้จักโลกและัวชีวิตตามกวามจิงตรือบ้างชีวิตจะได้ไม่มีความทุกข์นะหลังสุดท้ายนี้เนี่ยสมควรแก่เวลาเนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้จัดงานในวันนี้และผู้ที่เข้ามาร่วมงานจะยังไงก็ตามเพราะท่านคือกัลยาณภูตุชนซึ่งพร้อมที่จะกล้าที่กะวาเป็นอริยชน ในค่าวต่อไปไม่ถึงว่าวันต่อไปข้างหน้างั้ยทุกคนเนี่ยงมีความเจริญมีความอรุณมีปัญญาปราศจากความทุกข์พบกับสิ่งที่สุดในชีวิตคือความสิน้นทุกข์ด้วยการทุกท่านทุกคนเธอ